พระพุทธเจ้าพระนิพน์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกวลมหาสังฆปรินายกปริชาตสวรรค์จะเพิ่มเติมเรื่องปริชาตในสวรรค์ชั้นนี้คำนี้ได้เฉลยแปลมาบ้างว่าต้นทองหลงังทิ่ ตามคําว่ากโกวิรานในอภิธานนปปฐีปิกาได้ให้คําแปลคําว่ากโกวิลานไว้ว่าไม้ทรึกไม้ทองก้าวไม้ทองหลางในอดีตนิทานของพระอินทเล่าไว้ว่าเมื่อพระอินท์เป็นมคขมานุบปลูกต้นโกวิลานเพื่อให้เกิดร่มเงาเป็นทานเป็นเหตุให้เกิดต้นปริชาตในสวรรค์ในอภิธานนปปฐีปิกาให้คําแปลของคําว่าโกวิลาระปริฉัตกะปริชาตกะ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 ปริชาติตัวมาวันหนึ่งที่มีการเลี้ยงทูอินเดียที่วางแห่งหนึ่งในเมืองไทยนี้ใกล้ๆสารา ท, ที่เลี้ยงนั้นมีต้นกัิกาปลูกอยู่กําลังมีดอกบานหล่นดูเกลื่อนไปแขกที่ได้เห็นก็พากันชมที่ได้ถามสุภาพสตรีผู้หนึ่งว่าดอกไม้นี้เรียกปริชาติใช่หรือไม่เขาตอบว่าเรียกว่ากัิ ก, ก, กาและไม่เคยทราบเรื่องชื่อปริชาติเลยแต่จะเป็นในขณะนั้นเองหรือต่อมาภายหลังจำไม่ได้เสียแล้ว มีประชาอินเดียอีกคนหนึ่งอธิบายต่อบคำถามนั้นที่ได้ถามเข้าอีกว่าตามที่เขาเรียกกันนั้นก็ถูกต้องทั้งสองชื่อคือดอกไม้นี้ชาวอินเดียบางภาคเรียกปริชาต์บางภาคเรียกกั น, นิกาคําอธิบายนี้พอเข้าใจตามได้เพราะเคยทราบมาว่าประเทศอินเดียมีภาษาพูดกันต่างๆหลายอย่างจนต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ท, งทั้งที่ไม่อยากจะใช้เลย คำที่แจกของท่านผู้ทรงเมตตาข้างบนนี้เป็นมติหนึ่งเรื่องต้นปริชาติหรือปริชาติในเมืองมนุษย์ที่เรียกกันในปัจจุบันพระอินทร์หรือเท้าส ก, กัดเทวราชได้เป็นที่นับถือในประเทศไทยมานานได้มีเล่าให้ตำนานเก่าหลายเรื่องว่าได้ลงมาช่วยในกิจการต่างๆที่สำคัญเช่นได้ลงมาช่วยหล่อพระพุทธชินราชเป็นต้นเพราะกิจการที่มนุษย์ทําให้สําเร็จพระอินทร์ต้องลงมาช่วยจึงสําเร็จจึงเป็นกิจการที่สําคัญอย่างยิ่ง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 ระบบเขาพระสุมเมรุก็ตั้งอยู่ในโลกนี้เองเพราะเขาพระสุมเมรุก็เป็นแกนกลางของโลกสวรรค์ชั้นดาวดินตั้งอยู่บนเขาพระสุมเมรุก็ตั้งอยู่ยอดกลางของโลกู่วนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาตั้งอยู่บนยอดเขาสัตตะมริพันธ์สีทิศก็ตั้งอยู่ร้องต่ำลงมารอบเขาพระสุมเมรุนั้นทั้งสองชั้นนี้จึงอยู่ในโลกนี้เท่ากับเป็นชาวโลกนี้ด้วยกันการไปมาหาสู่กัน จึงน่าจะสะดวกกว่าสวรรค์ชั้นอื่นจึงปรากฏว่าเทพของสวรรค์สชั้นนี้ได้ลงมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์อยู่เสมอตามคัมภีร์โบราณที่มีคติความเชื่อในทางเดียวกันและนานๆจึงจะมีมนุษย์ขึ้นไปถึงคราวหนึ่งแต่ก็เป็นมนุษย์ที่กล่าวในนิพานชาดกจะได้เล่าเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดิง่งจากคัมภีร์ชั้นบาลีอีกสักตอนหนึ่งก่อนที่จะได้สรุปเรื่องเล่าถึงสวรรค์ชั้นต่อไปในสัตตากมิบาได้แสดงเป็นคําที่พระพุทธเจ้า ตรัสเล่าไว้มีความสังเกตว่าในสมัยที่ต้นโกวิลาละอันชื่อว่าปริชัตตกะผัดใบและออกไปใหม่เจ็ดวาระพวกเทพชั้นดาวดึงก็พากันดีใจเมื่อวาระที่หนึ่งก็พากันหวังให้ถึงวาระที่สองที่สามเรื่อยไปจนถึงวาระที่เจ็ดซึ่งมีดอกบานสับฟรั่งก็พากันเริงสนุกที่โคนต้นโกวิลาละทิพตลอดเวลาสี่เดือนในตอนนี้แสดงอนุภาพของต้นโกวิลาละทิพ ในขณะที่มีดอกบานสะพรั่งว่ามีนรสมีสว่างกินเนื้อที่ห้บโยดเดารอบและมีกลิ่นหอมช่วยไปตามลมถึงร้อยโยดต่อไป <c oughs> ก็แสดงเปรียบกับอริยะสาวกผู้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ออกบวชรวมเจ็ดวาระคือวาระที่หนึ่งในสมัยที่ต้นโกวิลลัทิิมีใบเหลืองหล่นจากต้นก็เหมือนอย่างสมัยที่พระ อ, อริยาสาวกคิดจะออกบวชวาระที่สอง ในสมัยที่โกวิละลัทธิ์โกรนจะออกใบใหม่ก็เหมือนอย่างสมัยที่อริยสาวกตรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้า ย, ยอมมังฝาดออกจากเรือนบูดเป็นอนาคาริยะคือผู้ไม่ในเรือนวาระที่สามในสมัยที่ต้นโกวิละลัทธิปริใบและดอกขึ้นพร้อมกันก็เหมือนอย่างสมัยที่อริยสาวกปฏิบัติในสมาธิได้ปฐมฌานวาระที่สี่ในสมัยที่ต้นโกวิละลัทธิปลิใบ และดอกขึ้นเห็นเป็นรูปใบใหม่ดอกใหม่คือเหมือนอย่างที่อริยสาวกปฏิบัติในสมาธิได้ทุติยะฌานวาระที่ห้าในสมัยที่ต้นโกวิลลารทิบมีดอกตูมคือเหมือนอย่างสมัยที่อริยสาวกปฏิบัติในสมาธิได้ตัติยะฌานวารคที่หกในสมัยที่ต้นโกวิลลารถิบมีดอกแก่ปริงจะบานแต่ยังไม่บานคือเหมือนอย่างสมัยที่อริยสาวกปฏิบัติในสมาธิจนได้ เจตุทะยานวาระที่เจ็ดและสมัยที่ต้นโกวิลารัติภิมีดอกบานเต็มที่ก็เหมือนอย่างสมัยที่อริยสาวกได้สําเร็จวิมุตติหลุดพ้นจากอสวกิเลตทั้งหมดอีต้นหนึ่งเล่าถึงเทวสุรสงครามเทียบการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันมีความสังเกตว่าเรื่องเคยมีมาแล้วได้เกิดสงครามเป็นศึกประชิดระหว่างเทพกับอสุรในสงครามครั้งนั้นอสุรชนะ เทพแพ้ล่าถอยขึ้นไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งนครดาวดึงผู้อสุราก็รุกประชิดขึ้นไปพวกเทพเห็นอสุรรุกก็หันกลับไปต่อสู้ก็แพ้อีกรุกและรับกันอยู่ดังนี้ถึงสามครั้งในครั้งที่สามเทพถอยเข้าเถวนครก็รู้สึกอุ่นใจหายกลัวว่าได้เข้าสู่ที่ปลอดภัยอสุรทาอะไรไม่ได้แล้วพวกอสุรก็คิดว่าพวกเทพ เข้าไปสู่ที่ที่ซึ่งผู้ตนทําอะไรไม่ได้แล้วและในสงครามมีครั้งหนึ่งเทพชนะอสุรแพ้ล่าถอยลงไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งอสุราบุรีพวกเทพก็รุกประชิดลงไปอสุรก็กลับรับและก็ถอยแล้วก็กลับรับถึงสามครั้งในครั้งที่สามผู้อสุรถอยเข้าอสุราบุรีก็อุนใจหายกลัวว่าได้เข้าสู่ที่ปลอดภัยเทพทําอะไรไม่ได้แล้วพวกเทพก็คิดว่า พวกอสูรได้เข้าไปสู่ที่ซึ่งพวกตนทําอะไรไม่ได้แล้วเมืองทั้งสองจึงชื่อว่าอายุชาบุรีคืออยุทยาแปลว่าเมืองที่ข้าศึกรบไม่ชนะแม้ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องเข้าสู่ที่ปลอดภัยจากกิเลสเช่นเดียวกันคือเมื่อได้สมาธิจนถึงรูปฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สต่อไปถึงอรูปฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สต่อไปถึงขั้นดับสัญญาเวทนา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 เรื่องเคยมีมาแล้วที่เราเป็นเรื่องปัจจุบันก็มีแต่ก็มุ่งแสดงธรรมเป็นประการสําคัญในคัมภีร์ชั้นหลังลงมาจึงเล่ามุ่งในทางประวัติพันานาออกไปพิสดารสวรรค์หกชั้นมีมาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาแต่สองชั้นแรกจะเหมือนอย่างที่เล่าไว้นี่เพียงไรเป็นวิสัยของผู้มีทัศนญาณจะทราบได้เทพชั้นจ า, จาตุมหาราชิกาเทพชั้นดาวดินท่านว่ามีที่อยู่บนภูเ ข, ขาบ้างในอากาศบ้าง และมีทีอยู่สืบต่อกันไปจนถึงภูเขาจักรวาลซึ่งเป็นภูเขาที่เป็นขอบจักรวาลโดยรอบน่าจะเปรียบได้เหมือนอย่างขอบกระดง้งท่านว่าสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปก็อยู่สืบกันไปจนถึงภูเขาจักรวาลเช่นเดียวกันดูตามเขาความเชื่อของท่านว่าอยู่สูงตรงขึ้นไปจากยอดเขาสินเนรุหรือเขาสุมเมรุในอากาศมีเขตแผ่ออกไปจนถึงแนวภูเขาจักรวาลซึ่งมีเขตเป็นวงกลมตั้งอยู่ซ้อนกันขึ้นไปโดยลําดับ ถ้านึกให้เป็นวัตถุก็น่าจะคล้ายตึกหรือเก่งจี น, นหลายชั้นตั้งแต่ชั้นที่สามขึ้นไปอยู่ในอากาศสูงกว่ายอดเขาสินรุขึ้นไปมากถึงอย่างนั้นก็ยังอยู่ในเขตของจักรวาลนี้เกิดดับพร้อมกับจักรวานี้ทุกชั้นจึงต้องกําหนดเขตโดยรอบด้วยภูเขาจักรวาลถึงจะอยู่ในอากาศสูงขึ้นไปเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ในเขตนี้สวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ชั้นที่สามชื่อว่ายามาหรือยามะแปลว่า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 มีพระนามว่าสันตุสิทธิท่านว่าพระโพธิษัตผู้สร้างโพธิสัมภารที่จะมาลงตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในมนุษย์ยกสถิตยอยู่ในชั้นฟ้านี้เท่นในชั้นนี้เป็นผู้รู้บุญรู้ธรรมเพราะพระโพธิษัตว์ได้ทรงแสดงธรรมสั่งสอนหนึ่งๆจะได้เล่าเรื่องพระโพธิษัตว์ตามคติความเชื่อดังกล่าวแทรกเข้าตอนนี้ทีเดียวท่านว่าความกุหลาบนอย่างขนาดใหญ่ของพวกเทวราทั้งปวงมีอยู่สามสมัยคือสมัยเมื่อโลกเจวินาท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 ข้อที่หคือทรงเห็นพระนางสรีมหามายามีศีลและบารมีธรรมสมควรเป็นพระมารดานได้ทั้งจะมีพระชนสือไปจากเวลาที่พระโอรสประสูติเพียงเจ็วันสัตว์อื่นไม่อาจอาศัยข้าโพธรบังเกิลได้อีกครั้นพระโพลิสัตย์ ท, ทรงเห็นสถานะทั้งหมีครบปริบูรณ์แล้วจึงทรงรับอารัธนาของเทพทั้งปวงเหตุที่จะรู้ว่าพระโพลิสัตย์เทพใกล้จะจุตินั้นเพราะได้เกิดบุพนิมิตห้าประการแก่พระองค์คือ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 เทพโพิสัตฟังคําเตือนของเทพผู้แวดล้อมก็ระลึกถึงกุศลกรรมไปในนันทวันก็จติในขณะนั้นโรมาถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางสริมหามายาท่านว่าสวนนันทวันมีอยู่ในสวรรค์ทุกชั้นเป็นที่เทพผู้ จ, จัดติไปเที่ยวชมและระลึกถึงความดีและก็จติไปในสวนนันทวันนั้นเทพผู้สหายก็จะพาเทพผู้ จ, จัดติไปกราวยพรตัดเตือน ทำนองไปส่งในวาระสุดท้ายพระศีอรยาเมตรายผูิสัตซึ่งมีกําหนดจะตรัสเป็นพ ร, ระพุทธเจ้าเป็นพระองค์ที่ครบห้าในพัตลักาณนี้ท่านว่าบัดนี้ประทับอยู่ในสวรรค์ชัน้นบุสิทธตนี้รอเวลาที่จะลงมาตรัสในอนาคตสวรรค์ชั้นนิมมานารดีสวรรค์ชั้นห้าชื่อว่านิมมานารติภายเราเรียกว่านิมมานารดีแปลว่าอภิรมยินดีในสิ่งที่นิยมิตขึ้น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 ก็น่าจะเรียกเป็นกลางๆว่าลิมมานรดีเทวราชไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องเล่าถึงในกัมภีทั้งหลายเช่นเดียวกับสวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ชั้นประนิมมิตะวะสาวัตตีสวรรค์ชั้นที่6ชื่อว่าประนิมิตะวะสวัตตีเสียงไทยว่าประนิมมิตะวะสวัตตีแปลว่าทําอำนาจของตนให้เป็นไปในโพคาทั้งหลายที่ผู้อื่นรู้ความคิดของจิตแล้วเนรมิตให้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 หรือจกักรพัทแปลว่ายังจักให้เป็นไปคือใช้จักแผ่อำนาจไปครอบครองโลกในนี้ดูก็มาะกับเรื่องพยามารที่จะกล่าวต่อไปสวรรค์ชั้นนี้ยิ่งสูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นนิมมานอ น, อนดีอีกมากท่านว่ามีเทพเป็นราชาผู้ปกครองอยู่สองฝ่ายคือเทวราชเรียกนามตามชื่อของสวรรค์ชั้นว่าประเนิมิตะวสวรตีเทวราชปกครองอยู่ฝ่ายหนึ่งพยามานเป็นเทวราชปกครองอยู่อีกฝ่ายหนึ่ง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 สังเกตตามที่ทั้งเราไว้ในคัมภี์ทั้งหลายว่าเทวราชผู้เป็นมารนี้มีความกลัวเป็นข้อสําคัญอยู่ข้อหนึ่งว่าตนจะสืบอํานาจครอบครองโลกไม่ประสงค์ให้ใครทางนั้นบรรลุมรรคผลนิพพานหรือจะเรียกว่าวิมุตติหรือโมฆธรรมก็ได้พูดง่ายๆก็คือไม่ประสงค์ให้ใครประสบความหลุดพ้นจากกองกิเลสเช่นตัณหาอุปาทานหรือราคะโทสะโมหะและหลุดพ้นจากกองทุกขมิเกิดแก่ตายเป็นต้น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 ท่านก็เล่าว่าพระพุทธเจ้าทรงปรงพระชนมายุสังขารตามคำอารัธนาของมาร น, นั่นเองแต่ก็ทรงปรองในเมื่อได้ทรงบำเพ็ญพุตธกิจสำเร็จตามที่ได้ทรงตั้งพระหัตถ์ไว้แล้วพญามาราธิราชเป็นเจ้ากกหนึ่งแห่งสวรรค์ชั้นที่หกก็จะต้องทําบุญไว้มากไม่เช่นนั้นก็จะไม่บังเกิดในสวรรค์ชั้นสูงนี้ได้แต่ก็จะต้องเข้าใจว่าทาบุญเพียงเพื่อสวรรค์เท่านั้นก็ดูจะชอบกลอยู่